เข้าไปหาพระลักษณะนจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าทลาักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชครึกด้วยกันพระละักษณะรับคําแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะาถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าทาลาักษณะ ยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากฉันเสร็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงนาะที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้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 เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอุศุลมเปรตเพศ ช, ชายนั้นแต่ไม่พยากรเพราะการพยากรนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้าจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในกรงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปี แล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมกขารนะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่42